เตียงตั้งฟูกหมอนน้ำฉันน้ำใช้จัดไว้ดีบริเวณสะอาดครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาปวรณาต้องอาบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบปวรณาไม่ต้องอาบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบปวรณาร่วมกันไม่ต้องอาบัต ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันปวารณาต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกเราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวารณาต้องอบัตทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุอาคันตุกะได้ยินอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวาตลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาตเครื่องหมายของภิกษุที่อยู่ในอาวาต สิ่งส่อแสดงถึงภิกษุที่อยู่ในวาดของพวกภิกษุที่อยู่ในวาดได้ยินเสียงเท้าของภิกษุที่อยู่ในวาดกําลังจงกรมเสียงสาธยายเสียงไอเสียงจามครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุที่อยู่ในวาดอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่คน้นหาปวรณาต้องอวบทุกข์กดภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงคน้นหาแต่ไม่พบปรวรณาไม่ต้องอบวบ ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบปวารณาร่วมกันไม่ต้องอบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันปวารณาต้องอบัตทุบกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวารณาต้องอบัตทุละใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้เห็นอาการของ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 แต่ไม่ค้นหาภาวณาต้องอาบัติทุกกฎพิกษูเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบภ า, จจาบวณาไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบภาวณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันภาวณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษูเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกเราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศ ภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวารณาต้องเอาบิทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้ยินอาการของอาคันตุกะลักษณะของพวกภิกษุอาคันตุกะเครื่องหมายของพวกภิกษุอาคันตุกะสิ่งสอแสดงพวกภิกษุอาคันตุกะของพวกภิกษุอาคันตุกะได้ยินเสียงเท้าของภิกษุอาคันตุกะกำลังเดินมาเสียงรองเท้ากระทบพื้นเสียงไอเสียงจาม แล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุอาคันตุ ก, กะอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาปรวรนาต้องอาบัติทุกขกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบปรวรนาไม่ต้องอาบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบปวรนาร่วมกันไม่ต้องอาบัตภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันปรวรนาต้องอาบัติทุกกฎ พิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกราวา่าขอพิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรบวรณาต้องอบัตทุลใจ